เรานั่งขัดสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธในใจไม่เกี่ยวกับลูกกตาเรียกว่าหลับตาไว้แต่ว่าไม่ให้ใจหลับบางคนขันนั่งภาวนาพุโทโธหลับตากดใจก็ไปหลับด้วยพุโทโธไม่เลยภาวนาจิตใจก็ไม่ผองใสทําใจของเราให้ผองใส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 แต่นี่บั้นปลายของชีวิตทุกคนเมื่อแก่ชราแล้วหรือไม่แก่ก็ตามเด็กก็ตามอันความแตกดับความตายของคนเรามันมีได้ทุกเวลาถ้าเรามีคนประพฤติธเจ้าลำลึกอยู่ในใจบุคคลผู้นั้นเวลาตายไปก็ตายไปดีตายมีสติ สติคือใจละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ใจละลึกถึงคุณพระธรรมได้ใจละลึกถึงคุณพระอริยสงสาวกจยาใจเมื่อละลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ได้คล่องแคล่วว่องไวก็แสดงถึงทานะุบาลมีสีนะบาลมีเนคขัมบาลมี ปัญญาบาลามีวิริยะบาลามีขันติบาลามีสัจจาบาลามีอธิฐานบารามีเมตตาบาลามีอุเบกขาบามีบาลามีทั้งส0ประการนี่แหละคนโบราณท่านเขียนว่าปัญญาบาลามีรวมแล้วเป็นปัญญาบาลามีคนจะมีปัญญาก็ต้องประพฤติปฏิบัติ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 ผูด้ดจะเลินได้บ่อยๆจะเลินได้มากไม่ปล่อยปากละเลยนั่งก็พุโทโธธรมโมสังโฆยืนก็พุโทโธธรรมโมสังโฆเดินไปไหนมาไหนก็พุโทโธธรมโมสังโฆพุธทธังธรรมังสังขังพุทธะธรรมะสังฆะนี้เป็นสาณะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เฉพาะแต่มนุษย์เรา แม่เทวโลกเทวดาก็ภาวนาพุทธโธธรมโมสังโฆพญาอินพญาพมก็ภาวนาพุทธโธธรมโมสังโฆนาคตกุมภันคันทยักษ์ก็ภาวนาพุทธโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโ ค, โมโมงโคนี้มีบังเกิดขึ้น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 คนพลาลัตนาไตรท่านกล่ ว, ว่าหรือว่าคุณประพุทธรธรรมประสงค์นี่เป็นแก้วสามดวงพุทธรัตนังแก้วคือประพุทธเจ้าธรรมรัตนังแก้วคือพระธรรมสังฆรัตนังแก้วคือประสง์พระรัตน์ไตรทั้งสามประการนี่แหละให้ทุกๆคนเจริญอยู่เป็นนิติดต่อกันไป ไม่ว่าชาวไร่ชาวนาชาวปูนซีเมนในยังก็ตามภัยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทําการงานอะไรก็ไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่หิวเพราะว่าคุณพระรันาตนตรัยคุณพระศีรษรันาตนตรัยก็ว่าคุณประพุฤ ธ, ธรรมประสงค์อันเดียวกันพุทธโธก็เหมือนกับว่าธทำโมสังโฆสังโฆก็ทำโมพุทธโธอันเดียวกัน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 จะนับเป็นกลับเป็นกันแล้วว่ามันมากมายจนเรียกว่าอาสงไขยนับจนนับไปไม่ได้เรยว่าอาสงไขยภาษาสมัยโบราณนับไปไมาได้ก็กลับมานับใหม่อีกไงว่าสี่อสงไข่แสนกลับอีกแสนมหากับกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเลตัดสรู้ เป็นพระพุทธเจ้านั้นได้ชัวร์เป็นเวลายาวนานพระองค์ก็มีความอดความทนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตั้งอยู่ในหลักศีลห้าชิ้นแปตั้งอยู่ในหลักทำบุญสงทานสมัยพระพุทธเจ้ายังสร้างโพธิยามอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนพระองค์ก็มุ่งมั่นอยู่ในทานบาลมี ในสีน่ะบาลามีในเนคขัมบาลามีทุกภพทุกชาติถ้าแก่ทะลามบั้นปลายแห่งชีวิตแล้วท่านก็ออกบวชเป็นพระฤาษีตา่าขขาวรักษาชิน 5, ช้นห้าชิ้นแปดในบริสุทธิ์แล้วก็มักจะไปอยู่ในถ้ำในป่าในดงในภูเขาที่สูงที่สุดแหละ เพราะว่าที่นั้นมันเป็นที่เงียบที่ส ง, งดเป็นที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลท่านตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวบาลมมก็แก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับลาดับคือว่าทำบุญสุนทานจิตใจก็สะอาดกายก็สะอาดเป็นผู้มีหลักศีลห่าอยู่ในตัว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 บนแต่ภวะกระกกผมลงมาให้พากันอยู่เย็นเป็นศพเบื้องต่ําตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาให้พากันอยู่เย็นเป็นศพลงกลมคล่อนจากตัวเราออกไปหมายถึงลงกลมตั้งแต่ตัวเราออกไปจนถึงหมืน่กก น, นจักรวาลแสนโกดจักรวาลอนันตาจักรวาล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 ยองมีอายุยืนยาวข่าวไกลทุกคนให้มีอายุร้อยปีเป็นที่สุดอันนี้เป็นความมุ่งหวังเมตตาพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกยาวทั้งหลายท่านเจริญมาชาวเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ให้กระพากันตั้งจิตเจตนาจเจริญเมตตาให้แก่มนุษย์ และเทวดายินกรมตลอดทั่วไปตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานประเภทไหนเปตอสุรกายพวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็มุ่งให้เขามีความสุขให้มีความสุขกายสบายใจอันนี้เป็นความเมตตา มนุษย์คนเราถ้ารู้จักจเจริญเมตตาให้แกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ได้ถื่อว่าไม่เบียดเบียนมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เบียดเบียนสัตว์สิงทั้งหลายริงสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์คนและสัตว์ก็อยู่ร่วมโลกอันเดียวกันไม่ใช่ที่ไหนเป็นแผ่นดินอันเดียวกัน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 สุขกายสุกใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้พากัรละลือกถึงคุณประพุทธเจ้าคนประพุทธเจ้านี่แหละเป็นสระณะเป็นสระณะที่ครึ่งเวลาคนเราจะรับศีลจากพระตัวเรียกว่ารับพระรัตนาตราก่อนพุทธัทงสระนังกัจฉานิข้าพเจ้าขอถึงประพุทธเจ้าเป็นสระณะ ธรรมังสารนังคัจามิข้าพ เ, เ, นะเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะสังฆสารนังคขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทาั้งหลายพูดถึงแล้ว<ม>เข้าไปแล้วซึ่งพันิทฐานข้าพเจ้าเอาเป็นสรณ ะ, ะที่พึ่ง เรียว่าที่พึ่งเอินของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าพระธรรมเป็นสลาณะที่พึ่งของข้าพระเจ้าเราพึ่งพระธรรมทุกเวลาแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตใจเรายัางไม่ผ่องใสความจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ที่ใจเราลำเลึกถึง เมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสในคุณพัตตนาไตรทันว่าเป็นบุญเป็นกุศลแม้ยังมีชีวิตอยู่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็จเจริญด้วยอำนาจติชานุภาคุณประพุทธธรรมประสงค์เมื่อจิตใจของเราล้ำลึกอยู่ในคุณประพุทธธรรมประสงค์จะทำมาหากินอย่างไรก็จเจริญรุ่งเรือง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 ให้คนเราทั้งหลายมีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเขาของมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมีที่ทามาหาเลี้ยงชีพให้มีความสุขกายส บ, บายใจทั่วหน้ากันตลอดร้อยปีหมดชีวิตก็ให้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกอมราโลกอันมีความสุขสูงกว่ามนุษย์ มนุษย์เหล่านี่มีความทุกข์มากแต่ก็มนุษย์เหล่านี่มันอยู่ในถ้ำกลางวางครึ่งไม่สูงขึ้นไปไม่ต่ำลงไปถ้าต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์โดยสัตว์สิ่งเดรัจฉานไม่ว่าอยู่ที่ไหนนกหนูปูเก็กสัตว์จิงเดรัจฉานทั้งหลาย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 ในสมัยโบราณนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เบามือลงกว่าคนสมัยนี้เลยอย่างว่าการฆ่ามนุษย์นี้เขาถือว่าเป็นบาปมากเป็นบาปใหญ่โตมโหรานแม้ในเขตจังหวัดหนึ่งๆ <c oughs> ถ้ามีคนไปเกิดฆ่ากาันทำร้ายกันจนถึงตายแล้วเป็นข่าวใหญ่แล้วว่าเป็นข่าวลงหลังสือพิม์ใหญ่และไปฆ่ามนุษย์ ทำไมมนุษย์เหมือนกันจึงไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีกรุ่มนาสงสารกันอันนี้เป็นคนสมัยโบราณเขาไม่ฆ่าไม่แกงกันเขาไม่ได้ใจ้่างมือปืนมาฆ่าเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้ถ้าโกรธกันแล้วก็ฆ่ากันเอาเหมือนกับฆ่าปูฆ่าป่า ฆ่าปูปาไม่กลัวบาปทันใดฆ่าคนก็ไม่บาปทันนั่นคนสมัยนี้แล้วว่าคนหนาใจบาปอยาบท้าทาลุณไม่มีคุณประพุติเจ้าอยู่ในใจไม่มีคุณพระธรรมอยู่ในใจถ้ามีคุณประพุติเจ้ามีคุณพระธรรมมีคุณพระอริยสงฆ์โยนในจิตในใจแล้วคนเราจะมีความสุข ก, กายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยนี้ดูสมัยขั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามาตรัดสู้ในโลกแม่ท่านจะได้เกิดเป็นคนอินเดียก็ตามได้ตัดสู้ในอินเดียสั่งสอนทำส่วนมากก็เรียกว่าอยู่ในแควนอินเดียเมืองประเทศอินเดีย เมืองไทยมีพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดอยู่มีพระบาทสี่ร้อยคือในโลกเหล่านี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสลูไปแล้วทั้งองค์ปัจจุบันนี้เรียก ว, ว่าสี่พระองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้ากุกุสันโธองค์ที่สองชื่อว่า โกนาคมนโน อ, องค์ที่สามชื่อว่ากัตสโปพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าโครหลานี้เรเียกว่าโคตามาโคตโมโคตมโ ค, มโคได้มาตรัสลุในโลกกบดเวไนยสัศว์ทางหลายผู้ไปเมืองไทยเมืองเชียงใหม่เมืองไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่า ยืดแขนออกไปแล้วก็ถึงถกแขนเข้ามาก็ถึงไปไหนมาไหนท่านไม่ต้องอาศัยรถเรือยานพาหนะไปด้วยลิฟ์ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าเรียวสเสดเดไปไปได้อย่าว่าจตในพื้นโลกพื้นแผ่นดินมนุษย์เราเลยบนพระฟ้าบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรด พุทธมารดาคือแม่พระพุทธเจ้านั้นยังไม่สิ้นความปรานถนาแม่ประพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคือว่าเป็นแม่ประพุทธเจ้ากุกุสันโธในทางลูกตายพระโกนาคมาโนก็เป็นแม่คนนี้พรกัสโปก็แม่คนนี้พระโคตมโมกับพุทธเจ้าเหล่านี้ยก็แม่คนนี้แหละ เป็นานาเป็นแม่ปะพุติเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่จะมาตรัสรูลในแผ่นดินนี้ยังเหลืออยู่พระศีริอริยเมตโยโพธิสัตว์มาเกิดก็จะมาเกิดในท้องแม่คนนี้แหละเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่เมืองสวรรค์ชั้นดุสิตแลว้วอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า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 จึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแต่ละปีละปีมนุษย์เราก็ทำบุญสุนทานรับออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดแรงคั้หนึ่งเป็นวันสมัยพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาตาวัติงสาสั้นฟ้าสเสด็จลงมาในเวลาสเสด็จลงมานั้นมนุษย์ก็เห็นเทวดาอินรมแห่แห่น ลงมาจากบนสวงสวรรค์ให้มนุษย์ได้เห็นนางฟ้านางสวรรค์เทวดาพรมพยาพรมพยาอินพยาพรมเห็นหมดแหละเสาะฤทธิดเดชพระพุทธเจ้าบันมุมบรรดาลข้างล่างมนุษย์ถ้ามองลงไปในแผ่นดินก็เหมือนมีกระจกเงาบองเห็นสัตว์ที่ตกนรก มีความทุกข์ยากลำบากลำคาญอย่างใดในพื้นแผ่นดินก็มองเห็นเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นโกลาหลอย่างหนึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาตักบาตเทโวทเทโวแปลว่าทเท ว, วดาคือพระพุทธเจ้าบันดาลให้มนุษย์เห็นทเท ว, วดาส่วนทเท ว, วดานั้นเป็นเห็นมนุษย์ทุกเวลา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 พุทธโธพุทโธนี่พุทธคุณคุณกระพุทธเจ้าผู้ใดเจริญถึงและลึกถึงอยู่ย่อมมีความสุขความเจริญทางนั้นในนั้นการภาวนานี่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนโยที่ไหนในพื้นโลกนี้ภาวนานได้ทางนั้นโยบ้านก็ภาวนานที่บ้านไปวัดก็ภาวนานที่วัด ไปท้ำไปภูเขาก็ไปภาวานาที่ภูเขาสถานที่จเจริญภาวานาท่านว่าไม่เลือกสถานที่นั่งก็ภาวานาพุโทโธให้ได้นั่งแบบไหนก็ภาวานาพุโทโธได้ทางนั้นแหละยืนแบบไหนก็ภาวานาพุโทโธได้เดินไปไหนมาไหนที่ใดๆก็จเจริญภาวานาพุโทโธได้ ไปรถไป ล, ไปลาก็ภาวนาพุทธโธได้ไปเรือน้ำเรือบกอะไรก็ไปบนเครื่องบินก็ภาวนาพุทธโธได้พุทธโธนี้จงลํำลึกไว้ในใจของเราว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงภาอาศัยของเราได้จริงๆเมื่อบรรพปลายแห่งชีวิตของคนเราย่อมมีความตายเป็นผลที่สุด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 ให้ใจเราล้เลึกอยู่ในคุณพัตนาัยทั้งสามประการเมื่อมีคุณพัตนาใยอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลาที่ไหนก็เป็นความล่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆมนุษย์เห็นกันก็มีความเมตตาการุณาซึ่งกันและกัน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 ได้พบพุทธาศาสนาแล้วก็ให้รู้จากการเอาบุญบุญนั้นไม่ใช่มีแต่การทําทานการกุศลอย่างเดียวศีลก็เป็นบุญภาวนาพุทโธพุทโธนี่ก็เรียกว่าภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาบุญสาเร็จด้วยการภาวนานี่ไม่ต้องไปชื่อหาแดกเกล็ดด้วยวัตถุเข้าของเราเอากาย อ เ, เอาวาจาของเราว่า้ละสวดมนต์สัมเสธิ์คุณพระพุทธเจ้าเอาดวงใจของเราบูชาพระรัตนตรัยภาวนาพุโทโธในใจของเราให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าเราหลับตาลืมตาภาวนาในใจของเราลูกเดียวตลอดไปฝนจะตกฝ้าจะร้องแดดจะออกความทุกข์ใดๆบังเกิดเมฆขึ้น เราก็จะไม่หลงไม่ลืมภาวนาพุโทโธในใจของเหล่านี้อันนี้แหละเป็นข้ออัดปฏิบัติทั้งพระภิกษุสงฆ์ในทางสามเณรในทางพุทธศาสนะทาทั้งญาติทั้งโยมเรียกว่าอุบาจกอุบาธิกาศรัทธาชาวบ้านก็นึกได้ซึ่งคุณกระพุทธธรรมประสงค์จงทาจิตทาใจของเราให้ของใสสะาด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 ละเลิกถึงคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนืองนิดติดต่อกันไปละเลิกถึงคุณพระอริยสงสารวกในใจของเราให้เนืองนิดติดต่อกันไปยอนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามใจของเราก็ให้รำลึกอยู่ในคุณพระพุทธรธรรมประสงค์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 ความมุ่งหวังใดๆในใจของเรามีอยู่ความมุ่งหวังนั้นๆก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ดังความมุ่งมากตาสนาด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระธรรมเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายหากบันดนบรรดาลให้เป็นไป ทั่วชีวิตของเราทุกคนมีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันดังแสดงมาก็สมควรด้วยตาละเอลาเอวังก็มีด้วยประการละชนียาถาวะริวหาปูราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตตินาง เปตาณังมุปตะปฏิอิจิตังปฏิตังต um ุมหังขิปเมวัสมิสตุสภเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะธามณิโยติดาโสยะธาสพิติโยวิวัช so ันตุสภะโลกโววินัสตุมาเตภวัต so วันตรายโย สุขีธีคายุโกภวะอิวาทนาสิริชนิจังุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังตาลังภาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุปตถา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 ถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจงตั้งใจปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวานาตั้งแต่นี้ต่อไปชั่วชีวิตของเราแต่และบุคคล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 สมณะชีถามก็ไม่ยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพยามหากระัใหญ่สูงใหญ่โตปันใดในโลกมนุษย์พยามัจจุราชคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้ เรานอนหลับโยกก็คือว่านอนหลับรอท่าความตายจงกำหนดให้ดีแล้วว่ามัลลนังเมภวิสติมัละนะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท้ที่จริงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เว้นเรานอนนั่นแหละ แต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากล่างความตายนั้นแล้ว่จิตมันออกจากล่างแล้วเจตใจคนเรานั้นเมื่อมันออกจากสาลีละล่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจึงนึกเตือนจิตเตือนใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่า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 บางคนถ้ามีสติปัญญาน้อยก็มักจะไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาที่จเจร น, นาเป็นกรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นึกไม่ได้้านึกจเจรนก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตาย เป็นอย่างนี้ก็มีแต่ว่าให้คนเราทุกคนนึกให้ได้จเจริญให้ได้ว่าความตายนี่หนีไม่พน้นจะลบหลีกท่าไหนก็ไม่พน้นลบไปเธิดหลีกไปเถิดทนเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีทนเวลาหนุ่มแข็งแรง ปากลางคนตายก็มีเลยปานกลางไปเลยอายุสี่ิบปีห้าิบปีไปก็ตายได้ท้งนั้นหกิบปีก็ตายเจ็ดิบปีก็ตายแปดิบปีก็ตายเก้าชิบปีก็ตายเก้าสิบเก้าปีก็ตายร้อยปีก็ตายเลยร้อยปีไปสักกี่ปีก็ตาย เมื่อยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมีวาสนาถ้าไม่กลัวใครค่าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถอะถ้าความตายมาถึงเข่าแล้วตัวทิฏฐิมานะที่โอวดรู้อวดฉลาดอวดดิบอวดดีนันตายทั้งนั้นแหละ สู้กับความตายไม่มีถาดไม่มีใครสู้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตาสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้มาให้ตายนั้นไม่ได้แค่นั้นต้องดึกต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจสอนจิตใจของตนให้ได้ในมรณะกรรมฐาน อันมรณกมากรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เราเนึกว่าตายตายหรือว่ามลนังเมภาวิสติเนื้อจบแล้วก็แล้วเท่านั้นมันไม่พอเอามาคิดมาพิจรารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆ จนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนจิตใจเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบรรลุมรณาก ร, รมฐาเป็นยอดธรรมสูงสุดจนเข้าถึงความสลรสังเว่ เมื่อตัวจะตายก็ตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็ตามจนได้ความสลดสังเวชไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวชว่าคนเราก็ตามสัตว์ตั้งร้ายก็ตามมันหนีตายไม่พน้นหลบตายไม่พน้น เล็กตายก็ไม่คนลบไปไหนก็ตายนุ่งผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดก็ตายน่งผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตายตายได้ทั้งนั้นแกก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายพระก็ตายเลนก็ตายผ้าขาวนางชีตายได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลา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 ตัวเองก็ทุ่นทุลายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดตายเพราะอุปธวัยเหตุ้ามันตายปุ๊บไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่องแต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งยิตใจยังคลองล่าอยู่มันทุกขเสวยทุกขเวทนา ให้ทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นองนัง้จงนึกจงเจริญไว้ทำให้แจ้งในในมรณะกรรมฐานด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทน ตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องให้น้ำตามไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบนเพื่อลำไหลจงตั้งอกตั้งใจส ง, งบจิตส ง, งบใจรอให้วิตกวิจารท่านว่าให้มีสติ สติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้เรียก ว, ว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ได้เมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆจกิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งได้ว่าวุ่นไปหมด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 ยังไม่ได้ก็จะมานมัวนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาต้องทำเทียนปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหัวใจจนถึงขั้นระงับดับความง่วงเหาเานอนฟุ้งซ่านลำคาญได้หมด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 ตายอย่างนั้นข้าไม่เอาตายอย่างนี้ข้าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างใดก็จำเป็นต้องเอาละ่ะต้องตายแล้วเนื้อให้ได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นในยังสู้สอนตนไม่ได้บัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟัง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 ทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไล่นาบ้านเรือนตึกลามเอาไปได้ที่ไหนเครด่ะมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเนิกมาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัตมีสตางมีวัตถุเข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิด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 เอาอะไรไปในได้ทางนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังยีตกฟีจานเตือนจิตใจดวงผู้โลกในตัวในใจให้มันเตืนขึ้นให้มันโลกขึ้นทำความเทียนภาวนาถ้ามันหายโง่เขาเบาปัญญาเสียที มันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียถีฉะ น, นั้นอุบายต่างๆนี่แหละนี่ว่าเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานย่าได้สมาธิก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็ส้มคูรด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉันลีสัพพีติโยวิวัตฉันตุสพระโลโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายโยสสขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเิจังมุต ธ, ธาปจายิโน ยัตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังสาลัง